สวัสดีเพื่อนสาธิกผู้ชมและผู้อ่านทุกคนในยุทธจักทุกท่านได้มาร่วมประชุมในสายงานที่อาตมาก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปร่วมแถลงนานๆจะได้ไปร่วมครั้งหนึ่งแต่สำหรับอาตมาก็คือ คนเราถ้าคนคิดทํางานก็ทําถ้าคนไม่คิดทํางานก็ไม่ได้ทํานะคนชอบทํางานก็ทําคนไม่ชอบทํางานก็ไม่ทํานะแต่ส่วนมากขึ้นมา ก, ก็ทําไม่ชอบก็คงไม่มาประชุมมันนะก็อยากจะเผยแพร่หลักวิธีการคําสอนของพระเทียนแต่ก่อนที่ถ้าความคิด ความรู้สึกโดยส่วนตัวเนี่ยก่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นเผยแพร่เนี่ยมันต้องปฏิบัติตัวเองก่อนให้มันได้ให้มันได้ด้วยแล้วให้มเข้าถึงด้วยเข้าถึงจริงๆรมันไม่งั้นมันก็ยังรู้แบบสงสัยอยู่เดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นๆเข้ามาแอบแฝงดึงไปสู่เรื่องอื่นๆหมดมันไม่มี จุดหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันก็เลยทางานไม่ตรงเป้าหมายไม่มั่นคงไม่มั่นใจในการกระทำของเจวของเองแต่ถ้าหากว่าเรามามุ่งมั่นปฏิบัติตัวเองมันก็จะมีจุดยืนมั่นใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนทำอะไรมันก็จะไปตาม แนวทางและเป้าหมายตรงนั้นได้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ก, ก็ก็ฝากข็คิดสำหรับยัดโยมที่ใครก็สอนได้หมดนะไม่เฉพาะจะเป็นพระเป็นนัก บ, บวชเป็นอะไรถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเข้าถึงจริงๆรู้จริงๆเนี่ยได้หมดนะสร้างความเชื่อมั่นให้คนอื่นได้หมด แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเราต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนอย่ามัวไปห่วงคนอื่นต้องตั้งใจปฏิบัติตัวเองให้ได้และสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นเองจะเป็นไปเองแล้วเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพมีศักยาภาพที่จะทําตรงนั้นได้ฉะนั้นเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยต้องตั้งใจบางทีมันก็ต้องใช้เวลา มีความมุ่งมัน่นไม่เชื่อว่าเรามาอยู่ปฏิบัติตรงนี้กล่าวันสิบวันแล้วเราจะเข้าถึงเลยมันก็อดมีความลังเลและสงสัยไม่ได้เพราะเรายังไม่พ้นจากใ น, นหนัววิจิกิจชามันอดมีไม่ได้แต่มาปฏิบัติไปปฏิบัติไปบางทีไอ้หลวงพเทียนเนี่ยสอนความรู้สึกตัว ทั้งๆ ท, ที่เราก็เรียนมาแพรหนังสือได้มหาสติปัฏฐานสูตรก็บอกตั้งแต่ลให้ยใจเข้าออกยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดขึ้นไข้เล้ยวซ้ายและขวาก็สอนอยู่บอกอยู่แต่ถามว่าคนปฏิบัติเข้าใจไหมตราบใดเรายังเข้าไม่ถึงสภาวะความเป็นจริงเป็นเองที่มันเกิดขึ้นที่มันพิสูจน์ได้มันก็วิจิกิจฉามันไม่หมดไป เมากอดลังเลสงสัยมนี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเราจะจับเอาหลักคําสอนมันก็เหมือนการามารพิสูจน์นะถ้าพิสูจน์ยังไม่ได้ก็ยังไม่เชื่อโดยสิ้นเชิงร้อยเปอร์เซ็นเมื่อพิสูจน์ได้แล้วมันก็จะเชื่อโดยสิ้นเชิงอั้นพอเราทําตัวเราให้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจในหลักคําสอน เพราะหลักกาสอนเป็นภาษาบาลีต้องมาแปลเป็นภาษาไทยไม่ใช่เป็นภาษาไทยที่เราคุ้นเคยเรารู้จักเป็นภาษาบาลีเป็นภ า, านษาวิชาการมันเข้าใจยากต้องมาแต่แปลต้องมาตีความหมายกันอีกวุ่นวายมากมายแล้วก็คนที่แปลคนที่ตีความหมายถ้าหากว่าปฏิบัติ ยังไม่ได้ก็มันก็าคาดเขนเดียวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าไปตามหลักฐานไปเป็นหลักฐานอย่างนั้นะเนีายฉะนั mm ้น hmm. การเรียนการรู้การศึกษาเนี่ย น, นี่ขณะนี้ทุกท่านกับกำลังศึกษาอยู่นยะนี่คือการศึกษาในตำราเพราะว่านาพะพระ เสขะพระที่ยังต้องศึกษาพระอาเซขะพระที่ยังไม่ต้องศึกษาอีสองอย่างพวกใครพรนะอที่ยังต้องศึกษาคือใครที่ไม่ต้องศึกษาคือใครที่ไม่ต้องศึกษาก็คือพระอรหันศึกษานี่ไม่ใช่ไปนั่งท่องก ต, ตำลับทําลาหรอกอันนี้แหละมาเจริญสติมาเดินจงกรมทางควารู้สึกตัวนี่แหละคือการศึกษา ภาที่ยังต้องศึกษาคือใครปุถุชนไปถึงจนภาริยบุคคลตั้งแต่โซดาปฏิมักโซดาปฏิผลขึ้นไปยังต้องศึกษาอยู่ไม่ได้ไปนั่งทองตำราแต่ตำราเล่มแรกก็คืออะไรนี่เนี่ยตัวเราเป็นตำราเล่มใหญ่ที่เราจะต้องมาเรียนรู้ พระเจ้าของเราก็ใช้ตำราเล่มไหนก็ตำราเล่มใหญ่เหมือนกันเรียนรู้เรื่องของภยัยเรื่องของคนเรื่องของเราเรียนรู้แต่ว่ามันมีวิธีการทจะเรียนรู้จากความรู้สึกตัวเรียนรู้จากเรื่องอื่นไม่ได้ต้องจากความรู้สึกตัวนะมันจึงจะไปถูกเป้าหมายจุดหมายได้ถ้าเรียนรู้ไม่ตรง ประเด็นไม่ตรงประมาณมันก็รู้ไม่ได้อย่างเราศึกษาประวัติพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้หรือเราเรียกในสมัยนั้นว่เาเจ้าชายศิรัจฐานเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการที่จะหาทางพ้นทุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะถ้าเราศึกษาตามประไม่รู้จะไปหาใครมันก็เหมือนงองเข็มในมหาสมุทรแต่รู้ว่าอาระรเดบทเนี่ยเป็นที่คนรู้จักมากก็เข้าไปหา เข้ไปหาก็สอนให้ทํำทำพระ อ, องค์ก็ทําด้วยความมุ่งมัน่นเพราะว่าสมณะชีพามในสมัยนั้นก็ไม่มีใครอาจจะมีแต่มีก็บรรลุธรรมแบบเปิดใาเนี่ยหายากพระ อ, องค์ก็เข้าไปหาเข้าไปหาก็สอนให้ทําความสงบก็ทำรรสงบข้ามวันข้ามคืนใช่ไหมจริงที่คน เอามาสร้างเรื่องบุตเจ้าหมาศาสดาโลกจริงสร้างเห็นชัดเลยนะนั่นสงสงบมอาหารไม่ทานข้ามวันล้างคืนอยู่จนกระทั่งจบคำสอนแล้วก็ยังบรรลุธรรมไม่ไดนะ้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีจุดที่จะทำานี่นมันก็ไปไม่ได้อีกมันก็ติดใครที่ เข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีนะที่เรามาเจอครูบาอาจารย์ที่พาแต่คนปฏิบัติยังมันยังไม่รู้เราว่าตัวเองจะโชคดีไม่โชคดียังไงพอไปที่พูดถึงแม้แต่ตัวธรรมาเองก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ารูปแบบเนี่ยมันมีเยอะนะคนที่ทาอย่างนี้ก็มีคนเข้าไปหาบาอาจารย์องค์นี้ทาอย่างนี้ก็มีคนเข้าไปหาเราไม่รู้ เราเหมือนคนตาบอดเนะ่ะเดินไปมองเห็นก็รู้ว่าใชยทางนั้นนะเนี่ยสงสยัยองค์นี้ก็สอนอย่างนี้องค์นี้ก็บอกอย่างนี้องค์นี้ก็บอกอย่างนี้เราจะเชื่อใครดีมันตัดสินใจด้วยตัวตัวเองก็ไม่รู้ว่าใกลคนไหนเราใกล้ใครเราก็เอียงไปทางนั้นใกล้ใครเราก็เอียงไปทางนั้นให้สังเกตดูมันจะไปดนะ้วยเนี่ยเพราะเรามันไม่รู้มาก่อน เราเลือกไม่ได้ไม่รู้วิธีไหนจะพาเราไปได้เลือกไม่ได้ไเหมนกันนะใหม่ๆก็บวชเข้ามาใหม่ๆก็รู้ว่าได้ยินเขาว่าพุโทโธกับพุโทโธไม่รู้ก็ได้แค่นั้นนะนะพอมาอะ สิวัดพมมาเปิดสมา阿拉าหังก่อนสมา阿拉าหังอืมชวนไปซึ่งใหม่ ย, ยุบหน่อพองหนอก็อยุบหน่อพองหนอก็เข้าด้วยไปเลื่อยไปก็ยังไม่รู้สักเรื่องเนึ่งไม่รู้ว่าการเรียนการสื่อสารคืออะไรก็ไปท่องตำราไปเรียนตามตำราเขาเรียนมันก็แค่จำได้ท่องได้จำได้แต่ว่ามันไม่รู้เรื่องเวลามาเดินจงกรมมาทําความเพียรมันไม่เหมือน อ่างตำรามไม่เห็นภาพชัดเออเวทนาสวยอารมณ์เป็นยังไงไม่รู้อารมณ์มันเกิดขึ้นแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าพอเรามาศึกษาเรามาลงมือปฏิบัติเราจะรู้ว่าโอ้อยางที่ผู้ได้ฟังมันต้องอดทนนะถ้าทำจริงๆก็ต้องอดทนต้องกัดฟันทน บางคนทนไม่ไหวพอไปหลายคนที่อาตมาได้เจอพอมันเบื่อมากก็โอ้ไม่ไหวแล้วกลับบ้านดีกว่าทำไมเราต้องมาทรมานตัวเองอย่างนี้บางทีมันก็มีความคิดอย่างนี้นะมันต้องทนเนี่ยทนต่อการกระทำนะถามอาตมานี่ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็ต้องมุ่งมั่นะต้องอดทนชวนนั้นนั้นเนี่ชวนกลับชวนไป กลับวัดดีกว่าแปวัดเราก็ทําได้มันถูกความคิดขึ้นตัวเองหลอกตลอดเวลาเนะี่ยอยู่ว่าเราจะหลงเชื่อความคิดตัวเองไหมไปตามความคิดไหมถูกความคิดหลอกอยู่ตลอดเวลานะหลอกอย่างนูนหลอกอย่างนี้คือมันถูกหลอกมาหลายผลนะกลับไปวัดจริงๆกลับไปที่อยู่ตัวเองจริงๆฮะ ไม่เกินสามวันเจดวันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยปล่อยทิ้งปล่อยละปล่อยวางไปเรื่อยซําอุ่นวายเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยมีข้ออา้างไปเรื่อยไม่รู้จะจบจากสิ้นนะแล้นหาข้ออ้างไปเรื่อยแต่เวลามาพออยู่นานๆก็อยากอยากเข้าไปปฏิบัติอีกแล้วพอไปปฏิบัติหน่อยเจออุปสรรคหน่อยเจอความม่วงความฟุง้งซ่านความเบื่อหน่อยก็อายเลิกเ้ย เราก็ต้องค่อยสอนตัวเองเหมือนกันแต่มาต้องค่อยสอนตัวเองแกอย่าไปเชื่อนะไอ้ความคิดเนี่ยมันชวนแกนเรื่อยไปเนี่ยนะกดหัวแกก็ไว้แกจะทําความดีก็ชวนไปถ้าอย่าอยู่เลยทําแล้วแหมมันลําบากเหลือเกินเบื่อเหลือเกินง่วงเหลือเกินสารพัเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะนั้น เรามีเป้าหมายมั้มมีความอดทนั้ยโดยเฉพาะเนี่ยไม่ต้องไปตีความมากคืออดทนเนี่ยอดทนได้ไหมล่ะานเา่าทนได้ความสำเร็จรก็ใกล้เคียงที่เกิดขึ้นก็เนี่ยทมาว่าเออเป็นเรื่องธรรมดาเอพอปฏิบัติไปหลวงพทธเทียนสอนแค่ความรู้สึกตัวนี่เลย แม่เราเรียนมานมันต้องเข้าชานนะชานนั้นชานนี้ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเรียนมาแปลวิสุทธิทมรรคโอ้โหเข้าชานออกชานเข้าชานนี่ออกชานนั้นถอดเข้าถอดออกได้ตลอดเลยเราเรียนมาใช่มจำเข้ามาแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองความรังเลสงสัยมันก็เกิดขึ้นกับเราแต่เพื่อที่เราจะ พิสุจนและบังเอิญสำหรับอาตมาถือว่าบังเอิญว่าเราได้มาพบครูบาอาจารย์ที่นำพาเราปฏิบัติแลวเราก็เริ่มมีความเชื่อมั่นในวิธีการปฏิบัติด้วยบางคนเจอแล้วก็ไม่เชื่อมั่นก็มีนหนีไปก็เยอะไปไม่เชื่อมัน่นก็เยอะไป ก็อย่างที่บอกไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้จะอ่านตำหนับตำรามาขนาดไหนมื่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆนี้ความเชื่อมั่นมันไม่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้มาปฏิบัติจนนานแล้วก็ยังสงสัยแค่นี้เองเหระแค่นี้เองเหระจนเราปฏิบัติแล้วมันไปถึงตัวที่ว่ามันเป็นเลย เราถึงอ้หลวงพ่าเทียนนะแต่พอถึงตอนนี้เราไปฟังคําพูดหลวงพ่อเทียนเราจะเริ่มเข้าใจโอ้จะมาเคยฟังหมอที่ผ่าตัดหลวงพ่าเทียนคำหนึ่งที่นันท่านเทียนหลวงพ่อเทียนนะ้วหลวงพอ่อแต่ผมไม่มีสติเป็นผมเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็ตาย เพรเสียเนี่ยเอ๊ะตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยคนเราก็พิบตาทั้งวันใช่ไหมหมอแล้วเราหมอรู้ว่าตัวเองก็บพิบตาวันกี่ครั้งอะโยรู้ววาตัวเองก็บพิบตาวันกี่ครั้งรู้ไหมเห็นไหม่ะคือพอเราไปฝึกแล้วเรามีสติมันเป็นไม่หายไปไหนนะมันจะรู้โดยอัตโนมัติเองอะ รู้ว่าเราก็พิบตาก็พิบตารู้ก็พิบตารู้รู้เราโอ้รลวงพ่อเี็นรู้เรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยแล้วพอเห็นตรง น, นั้นแล้วเนี่ยมันทำให้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจางหายไปไม่เหมือนเก่าเนื้ความเชื่อมัน่นความเห็นตามันจึิงเกิดขึ้นมันจึงมั่นใจขึ้นความวิจิตจฉาลังเลสงสยัย มันจึงมันจะหลุดไปเองมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ดังนั้นเราต้องตั้งใจทำอดทนทำลองพิสูจน์ไปให้ได้แล้วถามว่าเราทำจริงไหมพิสูจน์ ต, ตามจริงไหมต้องทำจริงนะอัตมาก็ท้าทายเนี่ยนะร่างชิดปริวาตขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าภาคกลางเนี่ยถ้าไม่มีเหยื่อรอดเนี่ยมันยาก คนา้าคกลางยากมากถ้าลูกแบกแล้วโอ้ยเยอะหมดถามลูกศิษย์หลวงพ่อวัดพะวันเลยสามพันสี่พันนั่นน่ะอัตมาไปเจองานร้อยปีหลวงพ่อเทียนที่ส่วนรถไฟกรุงเทพนะ่มีคนหนึ่งเขาเข้ามาหาอัตมาเป็นลูกศิษย์วัดหลวงพ่อพะวันท่านไม่รู้เป็นอะไรกับนั่งสงบทั้งคืน แต่เวลามาสอนหนังสือแล้วเจอนิสิตนักศึกษาแล้วมันเวลามาโกรธขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันทำไมมันโกรธมากขนาดนั้นอ๋อโยมติดความสงบไปเลยเขาก็ว่าเนะี่ยจะแก้ยังไงโยมลองไปดูลองแก้ดูโยมต้องไานั่งหลับตาต้องเดินจงกรม ม, มีเวลาสามวันจะไปอยู่ที่วัดผมให้เดินต้องเดินนั่งมังแม่ ห, หลับตา วันสองวันน่ะหนีกลับหละทนไม่ไหวเห็นไหมทนไม่ไหวหนีกลับแหละทำอะไรมันมันชอบความเพลินน่ะน่ะคนเราหลงชอบความหลงความเพลินติดความสงบต้องสงบนลอย่าไปคิดอะไรมากนะนกมันไม่เชื่องห้ามมันได้เแม่ไม่ให้มันดินน่ะจับใส่กรงไม่ให้มันดิ้นห้ามได้ไหมมันธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นก่อนแต่มันเชื่องแล้วมันเลิกดิ้นเอง หลวงพ่อเทียนก็บอกพอมันแล้วไม่ไม่โลภไม่โกรธแล้วมันก็สงบเองแหละบอกอยวแต่ว่ายังว่านะเพราะเราไม่เข้าใจเราก็ต้องฟังจากคนอื่นก่อนแต่ว่าเราก็ต้องพิสูจน์อย่างจริงจริ ง, รงอย่างจังมาแล้วต้องพิสูจน์จริงๆตั้งใจทําอำเราจรึงจะข้อสําคัญเนี่ยเราทําจริงไหม วิธีการไหนก็ทำให้คนเข้าถึงได้แต่วิธีการที่มันทำให้คนหลงยากแต่สำหรับตามาเห็นนะวิธีการอย่างนี้ทำให้คนหลงยากวิธีอื่นก็ทำให้คนเข้าถึงได้มีไม่ใช่ไม่มีอะยังหนอก็เหมือนกันก็ทำากันแต่ว่าเป็นสาเหตุให้หลงได้เหมือนกันนะอาจจะพูดเท้าความถึงเพราะคุณเคยกันเราเป็นยากกันด้วย เจ้าคุณรพนรนนทำหนองว่ากี่ปีสิบห้าปีทุ่มเททำสิบห้าปียังไม่รู้ว่าตัวเองติดความสงบเลยพอมาทาตรงนี้ปีสามห้ามาจำสาาอยู่ที่แพทย์เปิดครั้งแรกพอารรมมาออกภาษาเรามาเจอหน้านะโอ้จริงก่อนหน้าเนี่ยมาพูดถึงหลวงพ่อเทียนโอ้เนี่ยอรมมาก็ฟังมานะ คำพ่เทียนตรงไปตรงมาคำพูดไม่มีตำราไม่มีวิชาการเข้ามาแอบแฝงหลวงพ่อพระเจ้าท่าเราพูดตรงเขาก็ยังมีการอ่านการอะไรเยอะแต่หลวงพ่เทียนนี่ผู้ภาษาชาวบ้านตรงไปตรงมาท่านยังค้านตะมาเลยโอ๊ยท่านมาปฏิบัติแบบนี้หน่อยท่านเปลี่ยนแปลงหน่อยก็พูดอย่างนี้สิท่านไปฟังสิเขาลำหนัดยาสิบหกอ่ะ หลพ่อจะเรียนทำเสียคัดค้านามายแต่หลังจากจำมันสาปีสาม า, า, มาถมามาเจอปู๊เนี่ยออืจริงอย่างท่านว่าฮจริงอย่างท่านว่าเริ่มเหม็นจริงอย่างท่านว่าและเมื่อก่อนหลวงพ่อเทียนพูดอะไรนะพูดให้ประโยคนก้าวฟังมันก็ยิงพูดเหมือนไทยไม่เหมือนแล้วพูดไม่เหมือนคนที่เขาเข้าใจไม่เหมือน อาตมามีชี้คนหนึ่งไปปฏิบัติที่วัดสองสาเดือนที่ทิงทั่วอาตมาไม่อยู่ไปอบรมทำมุตสาต่างประเทศเขาก็ปฏิบัติอยู่ตั้งใจทํานะไปอยู่เขาก็ไปพายสารไปหาครูบาอาจารย์บอกเนี่ยฉันไปเจริญสติอยู่ที่วัดพรมสองสาเดือนทางเออครูบาอาจารย์บอก ก, ก็ดีเหมือนกันเจริญสติก็ได้สติแต่มันไม่ได้ปัญญาเอ่นนะ รู้จักอริยมรรคมีองค์แปดไหมชีบอกไม่รู้จักงั้นเอา้าโยนหนังสือให้ไปท่องนะถ้าไม่ท่องไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมโยนให้ไปจํามาแต่มันไม่ใช่พวกนี้มันจะเกิดขึ้นเองมันมีอยู่ในสภาวะอยู่แล้วคนถ้าจเจริญสติไปยังไงสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นไม่ต้องไปท่องมันต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องผ่านสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วหายเนี่ยที่กระพาสวดมนต์เมื่อเช้าเนี่ยมันจะไปไหนได้ ไม่มีอยู่ในคนทุกคนมีอยู่อย่างเนี้ยสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นเราจะรู้จักไม่รู้จักต้องเกิดขึ้นทางนั้นเนี่ยเขาจึงบอกนี่เรากาลังศึกษาเป็นผู้ยังต้องศึกษานี่เราพูดถึงว่าถ้าเราปฏิบัติไม่ให้เข้าถึงแล้วเราไปสอนแล้วเราก็จะไม่มีจุดที่มันรู้ตามความเป็นจริงควรจะทำอย่างไรพอเราทําได้เข้าแล้วเนี่ย แม้วิธีไหนเราก็ทําได้หมดทุกวิธีมันก็อันเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละคือความรู้สึกตัวแต่ว่าตอนที่ยังไม่รู้นี่เหตุที่ทําให้หลงนี่มันมันมีมากโดยไม่รู้ตัวหลงก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองหลงนะหลวง่อเทียนยังพูดยังไง ร, รู้ไหมก็คมได้ยินได้ฟังอยู่มืดในสีขาวก็มืดในสีดํา ท่านบอกว่ามืดในสีดำไี่ออกง่ายรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่สนใจปฏิบัติธรรมมัวแเร่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ยังรู้ตัวเองว่าไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสนใจเรื่องนี้มีโอกาสที่จะเข้ามาปฏิบัติศึกษาได้แต่คนที่เข้าวัดมาแล้วโอ้ฉันเนี่ยตั้งใจรักษาสินยังดีนะฉันเนี่ยนั่งสงบทั้งคืนนะเนี่ยฉันทําดีที่สุดล่ะอันนี้เนี่ยเมาโดยไม่รู้ตัวแล้วจะออกจากตรงนั้นยาก มืดในสีขาวนี่ออกจากถือว่าดีนะก็ ต, ตัวเองดีแล้วอ่ะจะไปเอาอะไรอีกอนะเข้าใจว่าตัวเองดีแล้วเนะ่ะจะเอาอะไรอีกตรงนี้เนี่ยที่ทำให้คนหลงและไปไม่ได้เยอะแยะออกยากกว่าออกยากกว่าโอ้ยฉันเนี่ยสี่สิบกว่าปีรักษาสินห้าไม่เคยด่างพร้อยเลย สีรับปตัตตปาละมาศก็ยังละไม่ได้เลยโ ส, โสดาก็ยังไม่ถึงเลยเพราะมันคนละเรื่องกันมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันมันก็เลยเอามาปนเปกันหมดเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเรื่องนั้นเรื่องหนึ่งหลวมพ่อเทียนยังพูดถึงสมมุติต้องรู้ให้ครบให้จบให้ท้วนรู้ครบจบท่วนแล้วจึงจะเข้าใจ รู้โดยวิธีอื่นไม่ได้ต้องเกิดจากความรู้สึกตัวล้วนๆถึงจะเข้าใจเรื่องนั้นได้แั้ไงมันก็เข้าใจไม่ถูกผิดหมดเราต้องพิสูจน์ด้วยตนเองนะนั่นเป็นความรู้ของคนอื่นเขาไม่ใช่ความรู้ของเรามันทำไม่สามารถจะทาให้เราหายสงสัยได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดจากตัวเราเองสัมผัสได้ด้วยตนเองทาได้โดยตนเอง มันจึงจะหายสงสัยธรรมะอัตตาหิอัตนโนนาโถที่พุทธเจ้าสอนมันจึงจะเข้าใจรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเกิดขึ้นโดยตนเองมันจึงจะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้คนอื่นไม่สามารถจะพึ่งเราได้ได้ได้ขอแนะนําถ้าเราไม่เอาจะแนะนําแค่ไหนมันกม็มีประโยชน์ใช่ไหมนัม้นอยู่ที่ตัวเราทุกคนมาฟังนี่อาจจะเพื่อเป็นกาลังใจได้กาลังใจ ให้กำลังใจก็ให้ได้ชั่วตอนฟังเนี่ยนะเดี๋ยวพอไปเดิน ม, มากๆท่า ม, มากมันง่วงมันเบื่อ ม, มากๆเขาก็กำลังใจก็หายหมดแล้วอาจารย์จะพูดดีขนาดไหนกูก็ไม่ฟังกูจะกลับไปหว่านอา่าฮะยิ่งมัเกิดจะได้แหละเชื่อเลยอ้ยพูดไปฮะชักไม่น้ําทั้งหา้าแล้วก็ไม่ไหวแล้วฉันอยู่ไม่ได้เคย เ, เจอไหม มาเนี่ยโอ้โหฉันจะมาอยู่สักเจ็ดวันนะเคยที่วันสนามนายครังเนี่ยประสบการณ์เียเมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยก็มาปฏิบัติสมัยมุขเทียนอยู่มาปฏิบัติแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยกลับไปแล้วตั้งแต่นั้น ก, นก็ทิ้งไม่ได้ทําเลยตัวเองชวนเพื่อนมาตัวเองทิ้งไม่ได้ทำแต่เพื่อนยังทําอยู่เลยตอนนี้ปวกระเสียนแล้วว่างแล้วอตอนนี้เดี๋ยวจะมาอยู่สักเจ็ดวันเนี่ย คุยกันไปคุยมายังไม่ทันข้ามวันเลยผมไม่พอ่อไม่ต้องกลับก่อนแล้วเนี่ยมาเองนะไม่ได้เชิญมาด้วยอาตมาก็ไม่รู้จักก็มาเพ อ, เอได้นั่งคุยกันบอกนี่เลยตัดสินใจมาเองนะเจ็ดวันยังไม่ทันถึงเยน็นวันนั้นเลยบอกไม่พอ่อมาแล้วกลับแล้วแผนนั้นะคําว่าคนจริงรู้ของจริง มุ่งมัน่นจริงๆจะมีอุปสรรคยังไงก็ต้องมุ่งมัน่นต้องพิสูจน์ให้ได้ต้องพิสูจน์ให้ได้นะคนเราเนี่ยไม่ใช่โชคดีทุกคนไปแต่สำหรับอัตมาที่ว่าตัวเองโชคดีนะที่บอกว่าโชคดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะก็บวตตามประเพณีเหมือนกันไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้ววัดอุปราชก็ก่อสร้างอะไม่มีอะไรเนี่ยพอออกจากบอดปุ๊บเนี่ยเจริญโภคพลันนอนเฮ้เรานั่งสมาธิมาถามก็ถามเขาชวนก็ถามไม่รู้นะก็นั่งหลับหูหับตาพุทโธพุมันไม่อยู่ที่ไหนรับอยู่ที่เราท่องหนังสืออยู่ก็ไปอยู่นน่นหมดนะนั่งซึ่งจมมองเน่รู้สักสามนาทีได้หรือเปล่าก็ไม่รู้รวมๆแล้วนะ รู้ได้บ้างก็ไม่รู้แต่ทําไมมันไม่ทิ้งเนี่ยเอออัศจรรย์ใจตัวเองไงทําไมเราไม่ทอดทิ้งไม่ทอดทูละทําอยู่ได้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันพอนานวันมันก็ถึงจะไม่รู้อะไรมันก็เริ่มเริ่มเกิดศรัทธาในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นไม่เคยไปอ่านหนังสือที่ครูบาอาจารย์เขียนแล้วก็ตุ้นความรู้สึกอะไรไม่เคยเลยแต่มันไม่ทอดทุลันี่แหละตรงนี้เนี่ยที่ว่าโชคดีนะ โชคดีที่เราไม่หลงไปตามสังคมเขามากเกินไปนะไม่หลงไปทํา โ, โน่นทํานี่ทําเครื่องร่ำของของังจำหน่อยหาเงินหาทองอะไรอย่างนั้นไม่ไปหลงอย่างนั้นนะมาเป็นเจ้าวาดเองก็เปลี่ยนไม่ไม่บอกบุญไม่เลี่ยายไม่เน้นเรื่องนั้นมหันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราเข้าถึงแล้วเราเร า, เราไปคิดอย่างนั้นพี่จิงไม่ก็ยังละแต่ว่า เราก็เห็นนะมันไม่รู้จะจบกี่ทีนะคือมันอยากได้อ่ะอยากได้ไม่รู้จะจบจากสิ้นเนี่ยไม่รู้จะพอก็พยายามอดใจนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทําใจแล้อดใจอดทนอดใจอดทนอดทนที่จะไม่บอกใครอดทนที่จะไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยมันต้องอดทนเหมือนกันนะอดทนที่จะไม่ยุ่งเรื่องนี้ พอเราอยู่ในส่วนภาคกลางเนี่ยมันมีแต่เรื่องนี้นะ่ะที่ไหนก็มีแต่เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้อดทนอดทนเยหันมาทำเรื่องนั้นใ น, นเรื่องการปฏิบัติให้ได้อย่างนี้พยายามต้องอดทนนะอดทนจนกระทั่งมันไม่ต้องทนคือมันสบายๆ ส, สิ่งเหล่านั้นไม่มีอิทธิพลหนจิตใจเรามากมายเราก็อยู่ได้สบาย ก็คือโชคดีโชคดีที่เราคิดเดินตามอย่างนี้แล้วมาเจอวิธีการปฏิบัติอย่างนี้เราก็ตอนที่เราตัดสินใจเลิกเรียนเลิอกอะไรแล้มาหันมาปฏิบัติแล้มาเจอครูบาอาจารย์พาเราปฏิบัติเนี่ยทําให้เรามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครยังกําลังเรียนกําลังศึกษากําลังปฏิบัติอยู่ก็ตั้งใจกัน ไม่รู้ว่าจะโชคดีอย่างที่อาตมาว่าหรือป่าแต่สำหรับตัวอาตมามองดูตัวเองอ่เออเราโชคดีนะเขาดึงไปทางอื่นก็อยู่กรุงเทพยังไงวัดหนึ่งเขาก็ลังดังเรื่องพระเครื่องเขาโฆษณาเราก็อยากได้เขาบ้างไหมนะโฆษณาก็ป้าชาวเขามาต่างก็บแสน แต่ก็โชคดีทิ้งหมดให้เขาหมดพอเกอยียงเทพก็ไม่เคยเอามาลวมีหายเสียๆเนี่ยใส่ไว้ครึ่งหายก็ทิ้งไว้นั่นแหละขยกได้ไปไหนก็เอาไปมาแต่อัฐรบริขารโชคดีโช ค, ด, โชคดีที่มันไม่หลงไปติดไปตามแล้วเ้าใจเนี่ยพอโกนหัวโกนคิว้วแล้วก็เป็นชาวพุทธ เป็นพุทธศาสนาหมดเหมาหมดพอเรามาศึกษาปฏิบัติจริงอ๋อไม่ใช่เขาจึงเรียกว่าสมมุตินะ่ะสมมุติว่าฉันเป็นพระนะโกนหัวโกนคิวค้วครูบาอาจารย์บางท่านหนึ่งได้ยินเคยได้ยินหลวงปู่โดนบอกว่าเ อ, อบวชเสร็จแล้วแต่ยังไม่เป็นพระนะถ้าดูได้ไงไม่เป็นพระก็บวชมา เป็นแค่สมมุติสมมุติสูงนะยังไม่เป็นพระที่อมรเทนบอกพระแปลว่าผู้บอสเสริตใช่ไหมสอนคนได้ใช่ไหมสอนคนได้แต่ไม่ได้สอนเพราะว่าจำมาตัดตำลาท่องมาได้ว่าแบบนกแก้วหคุ่มทองแต่สอนมาได้ต้องจากประสบการณ์จากประสบการณ์ของตัวเองทําได้ด้วยตนเองแล้วมาสอนคนอื่นนั่นแหละมันจึงจะเรียกว่า ของจริงรู้จริงแล้วมันจะมีจุดโฟกัสไปตรงนั้นอย่างที่อามมาเคยว่าเขามีพวกเขาก็ว่าอรรมาหลายรูปแล้ลวขืนปฏิบัติเข้มแบบนั้นเนี่ยอีกหน่อยก็ไม่มีใครมา อ, อรรมมาก็นึกว่าไม่มาก็อย่ามาเลยนะ มาแล้วไม่ตั้งใจก็เสียเวล า, วาเปล่าๆด้วยก็ต้องคอยเฝ้าคอยบอกบอกแล้วปากเปลี่ยปากแขะก็ไม่ค่อยจะเอาเสียเวล า, วาเปล่าๆสู้ให้ปฏิบัติอย่างนี้ใครมันเข้มแข็งก็ให้มันได้ไปเลยไม่ได้ก็ไม่เข้ามันก็อย่ามาเลยเสียเวลาต้องไปพูดเปล่าๆใช่ไหมก็จะทาอย่างนี้ใครจริงใจก็เข้ามาไม่จริงใจก็อย่าเข้ามาเลยใช่ไ้ย มาเสียเวลาพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกก็ยังย่งนั้นเนี่ยคนโบราณบอกไงเข้าหูซ้ายทะลุหูขว า, อ, าอะไรเป่าปี้ควายฟังตักน้ารถหัวตอคนโบราณนี่เก่งเนาะเป่าปี๊ควายฟังควายฟังไม่รู้เรื่องเขาหูซ้ายทะลุหูขวา ตักน้ําลดหัวตอลดเยอะมันไม่งอกงามขึ้นมาแลักพูดจะพูดเดยอะแกอยากพูดก็พูดไปจากข้าไปทาํทาตามไม่เอามันเยอะมันเป็นอย่างนี้เยอะนะเอาอะไรมาสอนก็ไม่รู้เผ็ดหน้าเมนก็ไม่เห็นพูดถึงอั น, นิี้สองการเผาศพแล้วก็อั น, นิี้สองการเผาศพมันจะยากอะไรเผาก็ไม่อันนี้ ส, งส อ, มอนนสงมีไหมอ่ะ ฮะมีอะไรก็ไหม้ไม่เหม็นเท่านั้นเองจบแหละไอส้สงเผาศพใช่ไหมเราเผืเผาเพื่อให้ศพทำไมไหมอ่ะจะเอาอะไรอ่ะเจ้าทานจากศพก็ไม่ได้กระดูกก็ใช้ไม่ได้ต้องทิ้งต้องเป็นภาระเก็บอีกอุตส่าห์เป็นภาระเก็บนะไปสร้างเจดงเจดีไว้อีกนะเป็นภาลังอีกนะ มาสร้างอุปทานขึ้นมาเราเป็นภาระอีกต่อหนึ่งนี่คือความหลงและความไม่พอใจของคนนะถ้าไม่มาทําตรงเนี้อความหลงมันไม่หายหรอกถ้าทําไม่ได้เปนเรื่องปกติของความหลงดาบใดเนี่ยเรายังเข้าไม่ถึงจริงๆดาบนั้นความหลงยังไม่หมดไปจากเรานะ อย่านึกว่าเรามาแพร่แสงเทียนมาปฏิบัติแล้วเนี่ยโอ้ยเราไม่หลงทางแล้วอย่างประเมินไม่ได้ประเมินไม่ได้ตราบใดยังเข้าไม่ถึงทางนะเปาโสดาบันเนี่ยก็เรียกว่าต้นทางแหละถ้ายังเข้าไม่ถึงตรงนั้นอย่าไปหวังว่าความหลงถึงตรงนั้นก็ยังไม่หมด ถ้ายังไม่ถึงพารานแต่อย่างน้อยก็เข้าทางแล้วล่ะไม่รู้นะก็แม่พูดแล้วมันกายยากอา้ายากแล้วคนก็จะเข้าถึงไงก็มันมีแค่ตัวเรายากตรงไหนล่ะเรื่องอะไรความรู้สึกตัวเห็ไปเอาเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นชัดเจนไหมเห็นมาเดินกันวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเอาอะไรแคร์ความรู้สึกตัวให้นั่งยกมืออะไรก็ความรู้สึกตัว ส่วนความคิดล่ะมันเป็นมายาสร้างภาพเลยอยู่กับที่ไปแล้วเดี๋ยวไปอดีตไปอนาคตแต่ไอตัวนี้เนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยเรียกก็ามาง่ายกว่าเห็นไหมเนี่ยอยู่องเงี้ยมีเรื่องเดียวไม่ได้สร้างภาพเลยเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยสร้างภาพไหมเนี่ยตัวดีเลยแต่ว่าความคิดเป็นไงเดี๋ยวคิดชวนกลับเดี๋ยวคิดเกียดเดี๋ยวเบือ่อเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยววาดมนโนภาพไปโน่นไปนี่สารพัดเลยไหย เราถูกหลอกไปเรื่อยถูกความคิดตัวเองหลอกตัวเองอยู่กับความรู้สึกตัวเยอะๆแล้วมันจะนำไปสู่เป้าหมายเองเรื่องเดียวใครจะว่ารเรื่องแต่อาตมาเรื่องเดียวที่ศึกษามันนี้เห็นเรื่องเดียวเนี่ยทำให้เรื่องอื่นตามไปด้วยหมดเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องเดียวเรื่องอื่นตามหมดเห็นความรู้สึกตัวได้ก่อนเดินจงกมนั่งยกมืออยู่เนี่ย แต่อย่าไปยกแบบบังคับต้องยกแบบสังเกตู้เท่าที่รู้อาตมาเคยบังคับอยู่งันนะปี 4, 7, สี่เจ็ดมาแค่แสงเทียนเะนี่ยทนะ่านกสินเนี่ยนั่งนะถามว่า้านหายง่วงยังยังไม่หายวะแต่ตั้งปีสามสี่สี่เจ็ดนี่มัน <laughs> ยังไม่หายเลยเ ต่นนี้ปีหลังจะกลับจากนี้ก็ไปสกลนครถึงสุริยาเนี่ยไปแพ้อาจารย์ก็สินถามว่าหายง่วงยังไม่หายเลยสุริยาก็แนะนำอาจารย์ลงทำมันแบบกำหนดนั่นๆไปเลยมันก็ได้นะพอกำหนดนั้นๆปุ๊บในขนาดอดปรับอบนอนนี่พอง่วงแว๊บ ดับทันทีแล้วไม่งว่วงทั้งวันไม่งว่วงไม่งว่วงเดินเป็นวันเป็นทุกวันทุกวันบาง ท, ท, ทีอดนอนไม่นอนกัางคืนมาเดิ น, นก็หายไม่งว่วงเออมันไม่งว่วงแต่ว่ามันไม่ได้ตัวโูฝึกกสิพอทำอริยนิกธรรมาก็ไม่เอาล่ะสู้ปล่อยมันงว่วงบางไม่งว่วงบางดีกว่าก็ปล่อยธรรมชาติเดินเพราะว่ามันเป็นตัวให้เราเระวังตัว ตัวที่ทําให้เราคอยจะเผลอตัวระวังตัวเผลอตัวระวังตั ว, เ, ต ว, ร ว, ตวเราง่วงมันต้องอดทนต้องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราไปกําหนดแล้วตัวง่วงมันหายเราก็ไม่มีตัวฝึกไม่มีผู้ซ้อมให้เราแล้วเราจะเก่งได้ยังไงนักมวยเตะแต่กระสอบทรายโชคแต่ลมมันต้องขึ้นไปชคยิ่งชคกับคนที่เก่งกว่าโชคบ่อยๆมันก็พาตัวเองเก่งไปตามไปด้วยมันต้องหาวิธีที่จะ เอาชนะคนที่เก่งมันจึงจะเกิดทัศนะโอชอย่างงี้ก็้มาโอ้เรานี่ยอ่อนซ้อมเรานี่ต้องหาเชิงอย่างนี้อย่างงี้มาแก้ทางคนนี้ให้ได้คนนี้เขาเก่งอะไรมันก็ทําให้คนเก่งไปด้วยปฏิบัตินี่ก็หมือกันเพราะตมาไปทาอย่างนกันมันไม่เหมือนธรรมชาติทําธรรมชาติมันเหมือนไม่ได้อะไรก็จริงเดินรูปไปแต่เวลาเขาจะเป็ น, น, นขึ้นมาเขาก็เกิดขึ้นมานี่เหมือนรู้ตลอด แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนมีคอศึกษาสําหรับตัวตระมาเองนะมาผูดให้ฟังเพรานทุกคนต้องเรียนรู้โดยตัวเองต้องหาวิธีการสังเกตสังกามองตัวเองรู้จักพิจารณาตัวเองไม่มีใครดีเท่ากับตัวเราเองที่คอยดูแลตัวเองพิจารณาเห็นตัวเองหรอเมื่อาช้ามือแด ก็เปิดหลวงพ่อเทียนเนี่ยหลวงพ่อเทียนบอกพอเห็นตรง น, นั้นพวกมันเหมือนแมวกับหนูพอความคิดเกิดขึ้นปั๊บเห็นปั๊บเนี่ยแล้วเคยเห็นไหมเคยเห็นตัวเองมไหมพอมันคิดปุ๊บมันเห็นปั๊บเลยเคยเห็นไหมเห็นไ่ยมันไม่มีประสบการณ์อาตมาเคยเห็นครั้งแรกตอนที่ว่ามาปสามห้าที่ออกภาษาแล้วมาเพราะ น, นั้นกําลัง ซักผ้าส่งน้ำซักผ้าผมคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็น เ, เราไม่เคยเห็นอย่างนี้กันทีนี่หว่าเอวันเนี้ยมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเรานะเราไม่เคยเห็นผมนคิดปุ๊บเห็นปับ๊บแล้วมันดับเลยนะคือ ด, ดับเองเพอเห็นมันก็ดับมีสตินะ่ะแต่เราอย่างตอนนั้นไม่เข้าใจมีสติมันก็ดับเองดับเองดับเองเพราะนั้นพอมีสติมากความคิดมันจึงสั้นลงนะ่ะ ความจิตเนี่ยมีปกติคิดห้ามไมให้คิดไม่ได้มันต้องคิดแต่ว่ามันคิดเราพ่อเทียนบอกเห็นไม่เข้ไปอยู่ความคิดเคยได้ยินท่านอุปมาแม้ว่าเราดูนั่งมองดูก้อนเมฆเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปนั้นรูปนี้แต่พอเราไปอยู่ในเมฆเราเราเห็นเป็นรูปร่างไหมเห็นไหมเนี่ย พอเราไปอยู่ในความคิดแล้วมันไม่เห็นความคิดตัวเองพอเราออกมาจากความคิดได้มันจะเห็นความคิดเห็นว่ามันคิดเห็นขณะคิดเนี่ยมันไม่ได้หลงคิดมันเห็นอยู่เห็นมมันจะเข้าใจยากถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองมันจะเข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มีให้เกิดขึ้นกับตัวมันจึงจะเข้าใจได้ไม่เข้าใจไม่ได้ เรียนตำลับตํำรามาแค่นั้นก็ไปได้มันแค่แค่จะจําได้นะ่ะที่เรียนมาไม่เคยช่วยอะไรได้เลยเวลามาเดินจงกรมง่วงหัวที่หัวทําไม่เคยช่วยเลยแป๊เรื่องต้องมาตัดสินใจต้องมาสอนตัวเองเอาทางนั้นแหละเรียนมาแค่ก็ต้องวางมาก่อนอเดินจงกรมก็ยังเบือ่อเหมือนโยมไม่ได้เรียนมาเหมือนกันเลยง่วงเหมือนกันเลยเห็นต่างกันตรงไหนนึกว่าเรียนมาสูงแล้วจะช่วยได้ ไม่ง่วงเหมือนโยมไม่เบื่อเหมือนโยมเท่ากันหมดเลยไม่มีใครต่างกันเลยไม่มีเลยต้องอาศัยความอดทนอดกันแล้วก็มีเป้าหมายเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยให้ทาตัวเองต้องอดทนเรามีเป้าหมายเราต้องมาเรียนรู้นะเราต้องมาศึกษาเรื่องนี้นะต้องมาปฏิบัติทาทางนะอาตมาก็เมื่อก่อนก็คิดว่าแค่เราอยู่เป็นพระแล้วเราไม่คิดเรื่องศึกนก็พอแล้ว พราะตอนนั้นมันเรารักความเป็นพาอยู่แต่มันยังมีบ้างนะมีอย่างเงี้ยถามหลวงพ่อบนชมากี่ปีกี่รรษาสี่สิบห้าสิบภสามพ่อเป็นไงก็ยังอย่างเงี้ยมันอยู่เดี๋ยวมันสึกทําไปอย่างนั้นมันยังแบ่งรับแบ่งสู้มันไม่มั่นคงเนี่ยเราเราจะมั่นใจได้ยังไงคิดว่าเออมันไม่เกิดความคิดตรงนี้เราก็ใช้ได้แล้วไอ้เรื่องพ้นทุกไหมพ้นทุกนี่เราเห็นแต่นั้นตำราแต่ไม่รู้เราพ้นได้หรือเปล่า เพราะเราก็ยังโลภยังโกรธอยู่ยังเบื่อได้ยังเซ็งได้อพอมาทำปีสามาพอที่บอกว่าคิดเรื่องแตงโมยอยู่เดินตัวเบาจกิงก่อนหน้ามาอยู่ยี่สิบวันมันก็ได้ลมข้างหนึ่งแล้วพอสิ้นเดือนก็ได้เนี้ยก็นึ ก, กว่า หลังจะกลับไปแล้วเนี่ยเป็นวัเจ็ดวันหลังจะกลับไปแล้วรู้สึกเอ๊ะมันดีขึ้นนะพอใครว่าอะไรโกรธปุ๊บพอโปวดนีห่หว่ามันเห็นความปวดแล้วมันก็หายไปโดยเราไม่ต้องไปอะไรกับมันอา้าหายไปแล้วโกรธปุ๊บหายไปเห็นมมันไม่อยู่ยาวเออมันดีขึ้นนะมันก็เริ่มสร้างความมั่นใจจากของนะเออ อาตมาเห็นนะถ้าจะทําอะไรจะลงทุนนะคนเราต้องกล้าเสี่ยงต้องกล้าทุ่มเทพอเห็นผลงานแ ล, แล้วมันจะมั่นใจในผลงานตัวเองมากขึ้นต้องจึงต้องอดทนม า, มากๆทาอดทนเยอะอย่างที่บอกนะอาตมาบอเข้ามาไม่สนใจแล้วแม้แต่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยเขาไปทําวัดสวดมนต์กันอานนตมาไม่ไปหนักเดินจงผมไม่แล้วยังไม่รู้ว่ามันเสียมารยาท ไม่เข้าร่วมทำว่าสวดมนต์เดินยกโคมอยู่นั่นเน่ยใครจะว่าไงไม่สนใจนะ่ะทําอย่างนั้นนี่ยจาง่วงแค่ไหนไรแค่ไหนก็เดินอย่างเดียวนั่งไม่ได้นั่งลหลับหลับเดินก็ยองหลับเลยว่าจะนั่งเลยเดินก็หลับก็เดินอย่างเดียวอะไปอยู่ครั้งแรกก้าววันที่น้องบอกหลอดนอเนี่ยโอ้โหยงขาเวลาส่งน้ามันนั่งไม่ได้ต้องนั่งมาเพียบนั่งกัตมาศมนั่นมันปู ปวดไปหมดอักเสบบางคืนก็เหมือนนอนไม่หลับตับอักเสบทำในขนาดนั้นไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่ได้รู้ว่าวิธีนี้หรือวิธีไหนแต่ตัวเองเนี่ยเลิกเรียนหนังสืออยากจะไปพิสูจน์หลักคําสอนพุทธเจ้าว่าเราเรียนมันตามตำราเนี่ยมันง่ายเหลือกเกินฟังทำพุทธเจ้าแค่นั้นน่ะโอ้ได้ดวงตาแห่งธรรมไอ้เราเนี่ยโหคุกคีเรียนมา แปเองได้ไรได้ยังมืดบอดเหมือนเดิมไม่เห็นอะไรเลยมืดบอดเหมือนเดิมยังหลงอารมณ์เหมือนเดิมฮะนี่วางตำราแล้วอยากมาพิสูจน์วางแล้ววางจริงๆมันบังคับให้วางอะ่ะเพราะว่าต้องวางเพราะอะไรดูหนังสือไม่ได้แล้วมันปวดหูวะ่ะมันจะบ้าใช่ไหมก็ต้องวางไงวางมาพิสูจน์ตรงนี้ แต่จะ ว, ว่าไปหนะ้าอาตมาเรียนอาตมาก็ทําตลอดนะทําดูสือแค่เนี้ยเดี๋ยวเดินชงพงนะคือเดินชงพงตัดไฟหมดก็เดินในห้องนะเดินเดินชงพงนะนอยไม่หลับก็นอนดูความรู้สึกตัวตัวเองนะตอนนั้นยังไม่ศึกษ า, างนี้ก็ดูอะไม่หลับก็ช่างมันนะตอนพวกนิ่งวงมอะไรเราก็นอนมาเนะั้นเราไม่ได้ ไปรับจ้างก็ทํางานบริษัทโนทบริษัทนี้เดี๋ยวเขาไล่อ อ, ไลออกจากงานนี่ไม่มีใครไล่ออกจากงานแน่นอนเราเป็นพระใช่ไหม <c oughs> ทำอย่างเงี้ยก็คิดแค่นั้นน่ะพอคิดแค่นั้นมันก็ไม่ลําบากใจไม่อึดอาจใจน้อนไม่หลักมันก็ไม่อึดอัดใจแค่เราคิดเป็นก็ยังช่วยเราได้เยอะเๆใช่ไหมแต่พอเราได้วิธีปฏิบัติเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นเลยธามากลับไป เราซื้อกาแฟสดถวายโอ้โหนอนไม่หลับทั้งคืนจนมันนอนเฉยเหมือนคนนอนหลับออมันดีตรงนี้เนาะมันไม่กระวนกระวายไม่ทิท้ายทิกขวาเนี่ยวิธีอย่างนี้มันเป็นยังไงมันดีดีช่วยเราป่วยไขย้ไม่เบือ่อไม่ลำคานเจ็บมันมีนั่นเนี่ยสมมาเป็นโอ้โหนี่ ถ่ายรูปไว้ตอนนั้นมันแบบเป็นแผลตอนนีูสวัดอะไรนะเป็นอยู่หลายเดือนเนะี่ยมันไม่ยุบอ่ะนอนตะแคงได้ข้างเดียวนาะนๆะนอะนเะนะีนะ่ยนะนะลองสิสักสองชั่วโมงมาหลับอ่ะมันมึ้ยต้องลุกมาลุกมาก็จะนอนอีกก็ไม่ได้นะ้วตัดแจ้งไว้เดินชมงคงพอเดินสักพักชั่วโมงไปชั่วโมงไปนอนมันก็มอนได้ความมึ่มันหายก็ ห, หลับหลับข้างเดียวเนี้ย มันแต่ว่ามันไม่ลำคานไม่อึดอัดนอนอยู่อย่างเนี้ยอยู่ในห้องมันไม่อึดอัดมันไม่มึนหัวทึบหัวมันป่งมันเบามันสบายเนี้ยคือการปฏิบัติมันช่วยให้ชีวิตของเราแบบดีจะป่วยจะเป็นอะไรมันตรงเนี้ยเวลาฟัง พระมาพูดอโอ้โหดีชังเลยต้องต้องมุ่งเราต้องมั่นเราต้องทำให้ได้พอออกแกบสลาไปเดินจงกรมพักหนึ่งเริ่มเบื่อเริ่ม่มงาอางแลวไม่รู้คำที่ฟังไปที่เกิดกำลังใจเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดก็รู้มันจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยต้องอดทนใช่ไหามีมเรียนมา ต, ามตำําาัากลับอยู่ในตาราหมดไม่ช่วยอะไรเลยนะต้องสร้างความอดทนให้ได้ เราจะพบควานทิ้งแบบก็ทุกคนนะเนี่ยต้องรู้ได้ตัวตนเองไม่ว่าใครทั้งหมดเลยไม่ว่าโยมไม่ว่าพระไม่ว่าเองไม่มีใครได้เจียบเสียเปรียบใครนะมีเวลาเท่ากันหมดยี่บสีชั่วโมงเหมือนกันวันหนึ่งเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าใครจะตั้งอกตั้งใจทำทิ้งใครจะมีความพยายาม เนี่ยว่าเตจื่อื่นเนี่ยทวัดอาตมาก็มีพูดเทาหูซ้ายเทหูขวามาตลอดก็ไม่รู้นะพี่อาตมาก็ถามตรงๆนะถามจริงๆแต่ท่านบวชเข้ามาเนี่ยทําเพื่ออะไรบวชมาทำอะไรอาตมาต้องมี ก, ษษษกฎกติกาสำหรับอาตมาใครจะมาบวชอาตมกาอาตมาเนี่ยถ้าบวชกระตำเดือนอาตมาก็ไม่รับ บวชแล้วเนี่ยต้องไปเดินจงกรมอย่างเดียวจะมาทำอย่างอื่นไม่ได้ห้ามมีโทรศัพท์มาห้ามเพื่อนมาเยี่ยมห้ามญาติมาเยี่ยมรับข้อกําหนดกติกางี้ได้ไหมรับได้ก็มาบวชรับไม่ได้ก็ไปบวชที่อื่นนะไปต้องมาบวชหรอกใครจะหาว่ายิงใคอ่ะเราเป็นอุปชาเราก็มีกฎกติกาของตัวเองเน่ยนี่เป็นสิทธิของอัตมาใช่ไหมเออเปนสิทธิส่วนตัวเนี่ยของอตมาเนี่ยอัตมาเขาต้องมีสิทธิบ้าง ตั้งกฎกติกาเข้าไวก็เข้าใจว่ า, าศาสนาพูดมันไม่ใช่บวชแก้บนมันไม่ใช่บวชตามมาเพนีมันต้องบวช ด, ด้วยศรทัทธามีคนหนึ่งก็อยู่ที่วัดหนูก็มีลูกชายสองคนอยากมาบวชออกอย่ายากคนเดียวต้องให้ลูกมันอยากด้วยก็ อ, อยากแต่ตัวเองนะลูกมันไม่อยากตัวเองอเขามปอยู่วัดสัเกเจ็ดวันเอาไหมล่ะให้ปฏิบัติสักเดือนเอาไหมล่ะเต็มที่ยไม่เอาหรอก แต่เห็นพระบวช ด, ดูนะท่านบวชไปเห้ยท่านสบายบวชไปเลยลรู้สบายชวนมาอยู่อ่านยังไม่อยากจะมาอยู่เลยเออแล้วบอกพระสบายอายอมตัวสังคมเป็นญาตจริงเหรบป่าเอาวิธีการนี้เป็นเครื่องแก่บนเป็นประเพณีอย่างเดียว มันก็เลยทําให้คนฟังนไม่เข้าใจอู้บวดเดะทดแทนคุณพ่อแม่นะมันนึ ก, กว่าทดแทนคุณพ่อแม่ฉันมาบวดแค่นี้ก็พอแล้วแกจะอะไรนั่นไหนแทนคุณแกแล้วเนี่ยกล่าวออกไปมันก็เกย์ต่อเหมือนเดิมเละเพราะเราเชื่อมัน่นอู้ลูกไม่ปวดให้หลานไม่บวดให้ก็โอ้โหเห็นไหมนนะ่ะไปถามว่าไป น, นอนดิเจอมันก็ตัวน่ะบวดวันนี้พรุ่งนี้หนีศึกแหละมีงานซะใหญ่โตนะ่ะ มอฝากที่ว่าตะมาตะมาตมาเห็นภาพด้วยเลยฝากอยู่ในวันเดียหนีสึกไปแหละยากใก้บวดอย่างเดียวโมตีระครังนะพูดมาตีระครังยวงต้องปฏิบัติได้แล้วช่วยจะช่วยหรือสังคมได้ล้วจะเข้าใจนะจะเข้าใจแล้วเราจะช่วยได้เออเนี่ยแนะนำได้มันไม่ใช่ประเพณีนะมันเป็นเรื่องของคนออกอยากออกจากทุก น, นะ และที่มาเนี่ยอยากออกจากทุกหรือเปล่าเนี่ยที่มาจะไปนอนหรือจะคุณถูกบังคับไปมาหลายคนถูกบังคับเนี่ยงั้นถ้าอยากออกจากทุกต้องมาน า, นานแล้วทําไมจะต้องรอเจ้าคุณส่งมาด้วยละ่ะเนี่ยโกหกกันชัดๆเลยนะเนี่ยอต้องรอเจ้าคุณส่งมาด้วยไม่มาเองอะ่ะ<ม><น>เห็นมไหมไม้จริงครับ<ม><น>เขาส่งมาเนี่ยเขาเรส่งมาเนี่ยไจริงข่าวเจ้าคุณส่งมาสิบคนเนี่ยถ้าอยากออกจากทุกเองมานาแล้วไม่ต้องรอแล้ว เดี๋ยวก็หมดจะกลับไปไงไมั้เนี่ยอยากอะไรจะก็หมดจะกลับไปอยู่พะนอยไปฝ <c oughs> ากไปแล้วกันนะเอาล ะ, ละปฏิรักษ์ขังแล้วเนาะก็คงจะฝากเขาแหละนะานานๆจะมีโอกาสไ้พูดไปเจอกันกะ็ขอให้ตั้งใจทำจริงพิสูจน์จริงถ้า เ, เราจะรู้ความจริงนะครับขอให ทุกท่านนั้นกลาวถึงความจริงด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ